พระอภิธรรมปิดกปุกครับบัญญัติขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกา 1. เอกะเอกุทเทศหมวดว่าด้วยบุคคลหนึ่งจำพวก 1. บัญญัติหกประการคือ 1. ขันธบัญญัติสองอายตนะบัญญัติ 3. ทธาตุบัญญัติ 4. ีสัจจะบัญญัติ 5. อินทริยบัญญัติ 6. ปุคละบัญญัติ 1. ขันธบัญญัติ 2. การบัญญัติสภาบธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันว่าเป็นขันธมีเท่าไรขันธบัญญัติมี5คือ 1. รูปประขันสองเวทนาขันธสาสัญญาขันธสี 4. สังขารขันธวิญ ญ, ญาณขันธ การบัญญัติสภาบธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันว่าเป็นขันมีเท่านี้ 2. อายตนะบัญญัติ 3. การบัญญัติสภาบธรรมที่เป็นบอกเกิดว่าเป็นอายตนะมีเท่าไรอายตนะบัญญัติมีติดสองคือ 1. จักขาอยตนะ 2. องรูปายตนะ 3. โสตายตนะ 4. ี่จัตทยตนะ 5. ้คานายตนะ หคันธายตนะ 7. ชิวหายตนะ 8. ประสายตนะเกายายตนะสิบโอทพายตนะ11มนายตนะสิธรรมายตนะการบัญญัติสภาวะธรรมที่เป็นบอกเกิดว่าเป็นอายตนะมีเท่านี้ 3. าธาตุบัญญัติ 4. การบัญญัติสภาวะธรรมที่ทรงตัวอยู่ว่าเป็นธาตุมีเท่าไร่ ธาตุบัญญัติมี18คือ 1. จักขุธาตุ 2. รูปธาตุ 3. จักขุวิญญาณธาตุสโสตธาตุ 5. สัทธาตุ 6. โสตวิญญาณธาตุ 7. คาณธาตุ 8. คันธาตุ 9. คารวิญญาณธาตุ 10. ชิวหาธาตุ 11. รัสธาตุ 12. ชิวหาวิญญาณธาตุสิกายธาตุสิโพธพธาตุสิกายวิญญาณธาตุสิมโนธาตุสิธรรมธาตุสิมโนวิญญาณธาตุการบัญญัติสภาวะธรรมที่ทรงตัวอยู่ว่าเป็นธาตุมีเท่านี้ 4. สัจจะบัญญัติ 5. การบัญญัติสภาวะธรรมที่เป็นความจริงว่าเป็นสัจจะ มีเท่าไรสัจจบัญญัติมี4คือ 1. ทุกขสัจจะสสมุทัยสัจจะสนิโรธาสัจจะสมัคคสัจจ ะ, ก, จจะการบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นความจริงว่าเป็นสัจจะมีเท่านี้ 5. อินทรียบัญญัติ 6. การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ว่าเป็นอินทรีย์มีเท่าไรอินทรียบัญญัติมีสองคือ 1. จักขุนศสโสติน 4, ีสาคานินศีสชิวหินรีหกายินรีหมนินรีเอิฐหินรีแปปุริสินรียกชีวิตินศีสิสุขินรี1ิทุกขินรีสิโสมนัสสินรียิบโทมนัสสินรียิ4อุเปกขินศีสิสัตถินศี 16. วิริยินรียิบจตินรียิบสมาธินรีสิ 19, ปัญญินรียี่ 20, อนัญญาตัญยัสามีตินรี 21, นยี 22, อัญญินรียีอัญนยาตาวินรีการบัญญัติสภาวะธรรมที่เป็นใหญ่ว่าเป็นอินรีมีเท่านี้ 6. ปุคลั บ, บัญญัต เการบัญญัติเราบุคคลว่าเป็นบุคคลมีเท่าไหรบุคคลหนึ่งจำพวกคือ 1. บุคคลผู้เป็นสมยวิมุตตะ 2. บุคคลผู้เป็นอสมัมยวิมุตตะ 3. บุคคลผู้เป็นกุปปรธรรม 4. บุคคลผู้เป็นอกุปปธรรม 5. บุคคลผู้เป็นปริหานธรรม หบุคคลผู้เป็นอปริหานธรรม 7. บุคคลผู้เป็นเจตนาภพภะ 8. บุคคลผู้เป็นอนุรักษนาพภะเก้าบุคคลผู้เป็นปุตุชน10บุคคลผู้เป็นโคตรภู11บุคคลผู้เป็นพยภูปรตะ12บุคคลผู้เป็นอภยภูปรตะ13บุคคลผู้เป็น พภคมณะสิบสี่บุคคลผู้เป็นอภพภาคมนณะสิบห้าบุคคลผู้เป็นนิยตะสิบหกบุคคลผู้เป็นอนิยตะสิบเจบุคคลผู้เป็นปฏิปันนักสิบแดบุคคลผู้เป็นพาเลทิตะสิบก้าบุคคลผู้เป็นสมัสสีสียี่สิบบุคคลผู้เป็นทิตกัปปี 21บุคคลผู้เป็นอริยะ22บุคคลผู้เป็นอนัริยยี่บุคคลผู้เป็นเสขะ24บุคคลผู้เป็นอเสขะ25บุคคลผู้เป็นเนวเสขานาเสขะ26บุคคลผู้เป็นเตวิชะยีบุคคลผู้เป็นชรพิญญะ 28บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะยี 29, บุคคลผู้เป็นปัจเจกพุท ธ, ธะสาบุคคลผู้เป็นอุปโโตภาควิมุตตะ31บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ32บุคคลผู้เป็นกายสักขี33บุคคลผู้เป็นทิฏฐปัตตะ34บุคคลผู้เป็นศัทธาวิมุตตะ 35บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารี36บุคคลผู้เป็นสัตทานุสารี37บุคคลผู้เป็นสัตตกขัดตุประมะ38บุคคลผู้เป็นโกลังโกละ39บุคคลผู้เป็น39บุคคลผู้เป็นเอกพีชี40บุคคลผู้เป็นสกัตถาคามี41 บุคคลผู้เป็นอนาคามี42บุคคลผู้เป็นอันตระปรินิพพายี43สบุคคลผู้เป็นอุปหัจจปรินิพพายี44บุคคลผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี45บุคคลผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี46บุคคลผู้เป็นอุทังโสโตโอกนิทคามี 47บุคคลผู้เป็นโสดาบันสี่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผล49บุคคลผู้เป็นสกัทธาคามี50บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทธาคามีผล51บุคคลผู้เป็นอนาคามี52บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามีผล 53. บุคคลผู้เป็นอรหันต์ 54. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผลเอกอุทเทศจบ 2. ทุกกอุทเทศหมวดว่าด้วยบุคคลสองจำพวก 8. บุคคลสองจำพวกคือ 1. บุคคลผู้มั ก, กโกรธบุคคลผู้ผูกโกรธ 2. บุคคลผู้มักหลบหลูบุคคลผู้ตีเสมอสบุคคลผู้มีความริษยาบุคคลผู้มีความตรณีสี่บุคคลผู้โอ้อวดบุคคลผู้มีมายา 5. บุคคลผู้ไม่มีหิริบุคคลผู้ไม่มีโอตตะปะ 6. บุคคลผู้ว่ายากบุคคลผู้มีมิดชั่ว 7. บุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวาในอินทรีย์ บุคคลผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 8. บุคคลผู้มีสติหลงลืมบุคคลผู้ไม่มีสัมปชัญญะ9บุคคลผู้มีศีลวิบัติบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติ10บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอก 11. บุคคลผู้ไม่มั ก, กโกรธบุคคลผู้ไม่ผูกโกรธ12บุคคลผู้ไม่ลบปลู่ บุคคลผู้ไม่ตีเสมอ13บุคคลผู้ไม่ริษยาบุคคลผู้ไม่ตรณี14บุคคลผู้ไม่โอ้วดบุคคลผู้ไม่มีมายา15บุคคลผู้มีหีริบุคคลผู้มีโอตตะปะ16บุคคลผู้ว่าง่ายบุคคลผู้มีมิตรดี17บบุคคลผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ บุคคลผู้รู้ประมาณในการบริโภค18บปุคคลผู้มีสติตั้งมั่นบุคคลผู้มีสัมปชัญญะ19บาุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ20บุคคลผู้หาได้ยากในโลกสองจำพวก21บุคคลผู้ให้อิ่มได้ยากสองจำพวก ย2บุคคลผู้ให้อิ่มได้ง่ายสองจำพวก 23. อาสะวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านายย่อมเพิ่มพูน24อาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านายย่อมไม่เพิ่มพูน25บุคคลผู้มีอัธยาศัยเลวบุคคลผู้มีอัธยาศัยประณีต26บบุคคลผู้อิ่มแล้วบุคคลผู้ทำคนอื่นให้อิ่ม ทุกกะอุทเทศจบสามติกะอุทเทศหมวดว่าด้วยบุคคลสามจำพวก 9. บุคคลสามจำพวกคือ 1. บุคคลที่หมดความหวังบุคคลที่ยังมีความหวังบุคคลที่ปราตจากความหวัง 2. บุคคลเปรียบเหมือนคนไข่สามจำพวก 3. บุคคลผู้เป็นกายสขี บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปตะบุคคลผู้เป็นศัทธาวิมุตตะ 4. บุคคลผู้พูดภาษาคูดบุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้บุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้ง 5. บุคคลผู้มีจิตเหมือนแผละเก่าบุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบบุคคลผู้มีจิตเหมือนเพชรหบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวบุคคลสองตา เบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่าบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนชายพกบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางแปดบุคคลบางคนยังมีกามราคะและภวราคะบุคคลบางคนไม่มีกามราคะแต่ยังมีภวะราคะบุคคลบางคนไม่มีทั้งกามราคะและภวราคะ 9. ก้าบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหิน บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำสิบบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวก11บบุคคลเปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีสามจำพวก12บงบุคคลผู้ประมาณได้ง่ายบุคคลผู้ประมาณได้ยากบุคคลผู้ประมาณไม่ได้13บาบุคคลบางคนในโรคนี้ไม่ควรเสพไม่ควรครบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลบางคนในโลกนี้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั no ่งใกล้บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้14บบุคคลบางคนที่ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลบางคนที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้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 ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูรณ์ในปัญญา16บุคคลผู้เป็นศาสดาสามจำพวก17บุคคลผู้เป็นศาสดา3ามจำพวกแม้อื่นอีกติกะอุทเทศจบ 4. จตุกะอุทเทศหมวดว่าด้วยบุคคลสี่จำพวก10บุคคลสี่จำพวกคือหนึ่ง บุคคลผู้เป็นอสัตตบุรุษบุคคลผู้เป็นอสัตตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตตบุรุษบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษ 2. บุคคลผู้เป็นคนชั่วบุคคลผู้เป็นคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วบุคคลผู้เป็นคนดีบุคคลผู้เป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดี 3. บุคคลผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคล ผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมดีบุคคลผู้มีธรรมดียิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดี 4. บุคคลผู้มีแต่โทษบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมากบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลผู้ไม่มีโทษ 5. บุคคลผู้เป็นอุคติตันยูบุคคลผู้เป็นวิปจิตันยูบุคคลผู้เป็นเนยะ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 เบุคคลเปรียบเหมือนหนูสี่จพวกสิบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสี่จพวก1ิบุคคลเปรียบเหมือนหม้อสี่จพวกสิบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ําสี่จพวกสิบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้สี่จพวกสิบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษสี่จพวกสิ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 บุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปบุคคลผู้สว่างมาและสว่างไป20บุคคลผู้ต่ำ ม, มาและต่ำไปบุคคลผู้ต่ำ ม, มาแต่สูงไปบุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไปบุคคลผู้สูงมาและสูงไป21บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวก2ีบบุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ เรื่มใสในรูปบุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณเรื่มใสในเสียง 23. บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเรื่มใสในความเศร้าหมองบุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณเรื่อมใสในธรรม24บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นจำพวกหนึ่ง บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นจำพวกหนึ่งยีบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนจำพวกหนึ่ง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 ไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนจาพวกหนึ่งบุคคล น, นั้นไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจสเสวยสุขมีตนประเสริฐอยู่ในปัจจุบัน26บบุคคลผู้มีราคะบุคคลผู้มีโทสะบุคคลผู้มีโมหะบุคคลผู้มีมานะ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 และไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งจำพวกหนึ่ง -28. บุคคลผู้ไปตามกระแสบุคคลผู้ไปทวนกระแสบุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่นบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบก -29. บุคคลผู้มีสุตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตะ บุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตะบุคคลผู้มีสุตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตะบุคคลผู้มีสุตะมากทั้งเข้าถึงสุตะ30บุคคลผู้เป็นสมณะไม่วันไหวบุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกปทุมบุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกบุนเดริกบุคคลผู้เป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ จตุ ก, กะุทเทศจบห้าปัญจกะุทเทศหมดว่าด้วยบุคคล5าจำพวกสิบเอ็ดบุคคลหาจำพวกคือหนึ่งบุคคลผู้ต้องอาบัตและเดือดร้อนทั้งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวะธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศล ซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ต้องอาบัติแต่ไม่เดือดร้อนทั้งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาบธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศลถึงเป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ต้องอาบัติแต่เดือดร้อนและไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง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 บุคคลผู้เชื่อง่ายบุคคลผู้โลเลบุคคลผู้ง่องง่าย 3. บุคคลเปรียบเหมือนนักลบอาชีพห้าจำพวก 4. ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดวห้าจำพวก5้ภิกษุผู้ถือการห้ามพัดอันเขานํามาถวายในภายหลังเป็นวัดห้าจำพวก 6. ภิกษุผู้ถือการนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัด 7. ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดท้าจำพวก 8. ภิกษุผู้ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดท่าจำพวก9ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดท่าจำพวก 10. ภิกษุผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดท้าจำพวก11พภิกษุผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดท่าจำพวก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 เป็นพระสกทาคามียังมาสู่โรคนี้อีกจำพวกหนึ่งชกกะอุทเทจกเจ็ดสตกะุทเทศหมวดว่าด้วยบุคคลเจ็ดจำพวก 13. บบุคคลเจ็ดจำพวกคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนคนตกน้ำเจ็ดจำพวกคือ 1. บุคคลผู้จมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเอง 2. บุคคลผู้โปรขึ้นแล้วจมลงอีกสบุคคลผู้โปรขึ้นแล้วหยุดอยู่ ?,4. บุคคลผู้โปรขึ้นแล้วเหลียวมองดู ?,5. บุคคลผู้โปรขึ้นแล้วข้ามไป ?,6. บุคคลผู้โปรขึ้นแล้วได้ที่พึ่ง ?,7. บุคคลผู้โปรขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้รอยบาปอยู่บนบก 2. บุคคลผู้เป็นอุพัโตภาควิมุตตะ บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะบุคคลผู้เป็นกายสักขีบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปั ต, ตะบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะบุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีบุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีสัตตกะอุทเทศจบ 8. อัตตกะอุทเทศหมวดว่าด้วยบุคคล8ปดจำพวก14 บุคคล8ปดจำพวกคือ 1. บุคคลผู้พร้อมด้วยมัค4ีจำพวกบุคคลผู้พร้อมพเพลียงด้วยผลสีจำพวกอัตกะอุเทศจบ 9. นวกะอุเทศหมดไปด้วยบุคคล9ก้าจำพวก 15. บุคคล9ก้าจำพวกคือ1บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะสบุคคลผู้เป็นปัจเจกพุท ธ, ธะ 3บุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะ4บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ5บุคคลผู้เป็นกายสขี6บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตะ7บุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะ8บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารี9บุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีนวกะอุทเทศจบ สิทัศกาอุเทศหมวดเพื่อด้วยบุคคล10บจำพวก16บุคคล10บจำพวกคือ 1. บุคคลผู้มีความสำเร็จในกามาวาจรภูมินี้ห้าจำพวกบุคคลผู้ละอัตภาพในกามาวาจรภูมินี้แล้วสำเร็จห้าจำพวกทัศกาอุเทศจบมาติกาปุกละบัญญัติ